เรื่องเกลือที่เป็นยาสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายผู้เป็นไข้ต้องการเกลือที่เป็นยาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเกลือที่เป็นยาคือเกลือสมุทรเกลือดํา เกลือสินเทาเกลือดินโป่งเกลือหงหรือเกลือที่เป็นยาชนิดอื่นที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช่ของเคี้ยวของฉันรับประเขนแล้วเก็บไว้ได้จนตลอดชีพเมื่อมีเหตุจำเป็นภิกษุจึงฉันได้เมื่อไม่มีเหตุจำเป็นภิกษุฉันต้องอาบัตทุกกฏ